พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งสี่ลำดับที่เจดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ส8ปตุลาคม2559หมีชื่อเรื่องว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอ่าลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันอังคาร ที่สิบแปดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าพระของเราวันนี้สีสิบกลงมาชั้นสามสิบเจ็ดงดไปเก้าองค์วันนี้พระไม่มาฉันนะไม่ว่าในพรรษานอกพรรษาพระท่านก็ยังปฏิบัติภา ว, ภาวนาของท่านตามอัธยาศัย แต่ถึงยังไงก็ตามนระับพระทุกองคศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่อยู่ในวัดของพวกเราเราต้องร่วมกันรับผิดชอบใครทำหน้าที่อะไรดูแลเรื่องอะไรน้ำไฟความสะอาดที่พักพาอาศัยปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวที่พวกเราจะได้เตรียมตัวเตรียมงานเตรียมวัด เพื่อรับพี่น้องประชาชนสหธรรมิกหรือญาติธรรมของพวกเราที่จะเข้ามาร่วมกระถินในวันที่23แต่พวกคณะเขาคงจะเข้ามาตั้งแต่วันที่22เนี่ยแหละให้ช่วยๆกันดูนะเสื้อสาสา์หมอนทุกอย่างนะทำความสะอาดทางกุฏิทางไหนทุกหลังนะให้ช่วยๆกันดู ทางในครัวก็เหมือนกันอย่าให้ขาดตกบกพร่องเป็นหูเป็นตาช่วยกันพอมันบกพร่องมาลโยนให้คนนี้คนนั้นคนนี้ใครเป็นคนโยนหลวงพ่อจะไล่คนนั้นออกจากวัดทำไมอยู่ด้วยกันทาไมไม่รับผิดชอบร่วมกันคันใครเห็นจุดไหนที่ขาดตกบกพร่องก็บอกบอกกัน อันนั้นแปลว่าผู้อยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันอันไหนเป็นพิษภัยต่อกันเราต้องรู้ขนาดสัตว์ที่ฉานอยู่ในป่าถ้ามันเห็นเหยี่ยวเห็นสัตว์ที่จะอันตรายกับเขาเขาอย่างร้องบอกกันมนุษย์อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะถึงขนาดนี้อันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนจะเป็นพิษเป็นภยัย ในชุมชนในกลุ่มของเรา เ, เฉยเมยไม่ได้ใส่ใจพอมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วยังค่อยโวกเวกโวยวายแสดงว่าขาดความรับผิดชอบออใครเป็นอย่างลักษณะอย่างนั้นไม่ควรจะมาอยู่กับหมู่ควรจะไล่ไปอยู่คนเดียวไม่อยู่ตามลำพังนะอย่ามาหายุง่งมายุ่งเรามาอยู่กับหมู่แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพอรเพยยังเกิดโทษอีกต่างหาก เพรนั้นการอยู่ด้วยกันต้องมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันรักเมตตากันให้อภัยกันสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์กันมีอะไรเรื่องหนักหนาปรึกษาปารบกันหาทางออกช่วยกันเมื่อมีทุกข์ถ้ามีสุขก็ให้อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขนี่แหละการอยู่ด้วยกันเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่น เราเรามุ่งหวังเ พ, เพื่อความพร้อมเพียงสามคัคคีในหมู่ในหมู่ในคณะในกลุ่มของเรานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเกิดมาในโลกนี้มันมีมากหลากหลายแนวเลอเกินการอยู่ในโลกนะบางทีก็เห็นเขาเหนือกว่าดีกว่า อิจฉาก็มีนินทาเขาก็มีแต่เขาตามไม่จริงบางทีเขาเป็นจริงอย่างนั้นก็มีเราจะไปพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้บางทีก็บางเรื่องไม่เป็นเรื่องอก็เป็นนินทาเขาก็มีสรุปแล้วคือในหลักธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าท่านบอกว่าท่านตรัสว่า สัพพะโลเกอเนินที่โตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกหาได้ที่ไหนมีไหมคนไม่ถูกนินทาขนาดพระพุทธเจ้าปรมครูของพวกเราก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนางสามาคันธยาว่าจ้างคนในเมืองอุทเทน ต่างแต่งตุ่มคำขึ้นมาด่าพระพุทธเจ้าไอวัวไอควายไอสัตว์อะไรหมดทุกอย่างในสมัยนั้นทั้งเมืองจนพระาอานนท์น้อยเนื้อต่ำใจว่าพระพุทธเจ้าถูกด่าน่าจะไปอยู่เมืองอื่นพระพุทธเจ้า ว, ว่าจะไปอยู่เมืองไหนละอนนท์ โน่นเมืองที่เขาเคารพนับถือเลื่อมใสมีตั้งเยอะแยะอยันนี้คนทั้งบ้านทั้งเมืองมันลุมด่า <c oughs> เอาทําไมไอไอแล้วทําไมไม่หลบหนีล่ะทํามันไอแล้วก็จับออกไปที่เจ้ของไอนะ้น่ะเขาะ้าใจชการได้ยินไม่เสียงเจ้าของไอนะ้น่ะคนอื่นเข้าฟังนะ่ะนี่แหละเมื่อเขาด่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระอา น, นุ์คนน้อยอกน้อยใจ เพราะอะไรเพราะเขาด่าพระพุทธองค์จะไปไหนละอ น, อนุนไปนู้นไปเมืองที่เขานับถือเลื่อมใสมีตังเยอะแยะไปเจ้าค่ะถ้าเขาไปด่าถ้าเขาไปเมืองนั้นละ่ะเขาด่าเมืองนั้นจะไปไหนอีกไปเลยเไม่มีที่สิ้นสุดอ น, อนุ์ถ้าเขาด่าในเมืองไหนเราต้องอยู่เมืองนั้นจนสงบซะก่อนเราจึงไปเอาเถอะจากนี้ไป เราตาเราปราถนา พ, พุทธเจ้าเป็นพุทธสยามภู เ, เราปราถนาเพื่อเป็นพุทธสยามภูคนจะด่าเราด่าได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวสงบเจ็ดวันคนจะด่าไม่เกินนั้นพอถึงเจ็ดวันกับคนเงียบจริงๆทีนี้หยุดด่าเพราะนั้นเป็นพุทธานุภาพ ของพระพุทธเจ้าแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นเลยบางทีเขาด่าทั้งปีทั้งเดือนด่าแล้วด่าอีกอย่างนางจินจามนาวิกก็หาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าพระเทวทัตกันแกล้งจะฆ่าพระพุทธเจ้ามีมากมายในครั้งพุทธการสรุปแล้วก็คือไม่ใช่นินทาเฉยเฉยจะฆ่าให้ตายอีกต่างหาก พ่อเราถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วเพราะนั้นในพุทธภาษิตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสัพพะโลเก อ, อันเรนที่โตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแต่ลงพ่อก็ใช่ย่อยเมื่อไหร่คนนินทาแต่ลงพ่อก็มองดูตนเองอยู่เสมอว่าเขานินทาจุดนั้นมันถูกไหมถูกคำเขาไหมถ้าถูกคำเขาแล้วกับแก้ไข เพราะอะไรเพราะมันถูกคําของเขาพูดของเขานินทามาเออถ้าหากว่าผู้ที่เจตนาดีก็ต้องมาบอกมากล่าวนะเจตนาดีแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นใช่หมเออมันบัตรสนเทศมากกว่าก็เจตนาไม่ดีจิตใจของเขาเป็นอกุศลเออบางทีเราไปพูดด้วยเจตนาดีนุ่น ม, มาที่หลังยังค่อยมาเออมาถือขันดอกไม้ม า, มากราบคารวะ แล้วก็มากกราบบอกว่าผมได้ประมาทหลวงพ่อประมาทเมื่อไรแล้ววะทําไมวะเราไม่ได้ทําไปทุบหม้อข้าวหมวดแกงของเจ้าเมื่อไรทําไมเราจะเจ้าจะมาคิดประมาทเราทําไมค้องคลองใจสงสัยตรงไหนทําไมมาถามนี่แหละมีมากมายที่ขันดอกถือขันดอกไม้มาฮเอ มาคารวะหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เฉยถ้าผู้ที่ไม่มาคารวะก็ไม่เป็นไรบาปกรรมของใครใครทากรรมนั้นจะต้องเข้าไปสู่จิตใจของคนนั้นสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำไว้ถ้าตนได้กระทำไว้ก็รับกรรมกันไปไม่เป็นไรเพราะเหตุไรเพราะว่ากรรมไม่ได้เลือกใครทั้งหมดนรกก็ไม่เต็มสวรรค์ก็ไม่เต็ม หลวงปู่จามทานวาอย่างนั้นเพราะนั้นใครจะเลือกเอาอันไหนก็อเอาได้ทางนั้นนะ่ะเพราะนั้นเลือกความนินทาสรรเสริญเราจะไปหวั่นไหวต้องมองดูตนเองมองดูตัวของข้าพเจ้าเองเขาจะนินทาสรรเสริญข้าพเจ้าเป็นผู้รับกรรมที่ตนได้กระทาไว้ถ้าเราทํากรรมดีอยู่แล้วเขานินทายังไงมันก็นเราก็เราดีอยู่แล้ว ถ้าหากว่าเราทํากรรมชั่วถึงคนจะยกย่องสรรเสริญเชิดชูบูชาขนาดไหนเราทํากรรมชั่วในใจไม่มีใครที่ทจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเราก็ต้องไปนรกเขาจะยกย่องขนาดไหนก่อเราก็ไปนรกไปเลยเพราะเราทํากรรมชั่วเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เชื่อในตัวเองเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม อแต่บางคนเห็นเขานินทาแล้วก็มาพลอยนินทาไปด้วยเอออันนั้นแปลว่าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีกฎเกณฑ์เออไม่ควรจะนํามาเป็นหมู่เป็นเพื่อนไม่ควรจะนํามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาถ้าใครเป็นอย่างนั้นระยาเข้ามาใกล้หลวงพ่ออินนะให้ห่างอยู่ให้ห่างเอหลวงพ่อไม่ต้องการลูกศิษย์อย่างนั้นเอถ้าเข้าเห่าก็เห่าไปตาม ไม่มีเหตุไม่มีผลใช่ไม่ได้นะอันนั้นแปลว่าปากไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีขวันเห็นเขานินทาก็นินเป็นนินไปตามมันต้องมีเหตุผลสิมันต้องมาถามไถ่องหลวงตามหาบัวก็ใช่ย้อยเมื่อไหร่หลวงพ่อได้รับบัตรสนเทเขาด่าหลวงตาแล้วก็อ่านอ่าน พออ่านเสร็จแล้วเราก็ไม่ให้ใครดูอีกต่างหากสิทิ์เท็จเพราะเรารู้แก่ใจว่าเนี้มันอิดช้ า, ามันพูดอะไรขนาดหาทองคําเข้าคลังหลวงก็บอกว่าทองคํามันไม่เข้าคลังหลวงหรอกตรงตามหาบัวไปนะ่ะเอาไปให้คนนั้นคนนี้มันพูดได้ยังไง <c oughs> ก็เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองรถก็มารับเข้าคลังหลวงแท้ๆนี่ไอคนที่ ฟังไปแล้วคนะแนอพวกหูเบาพวกหูไม่มีเหตุมีผลก็เชื่อไปตามเลยแต่เนี่ยแหละมีมากมายที่หลวงพ่อได้ได้รับได้ทราบมาแต่หลวงพ่อฟังผงพ่อไม่เชื่อใครง่ายๆนะขนาดลูกศิษย์หลวงพ่อก็เถอะองค์ไหนชอบมาร้องเรียนร้องเรียนเรื่องอะไรฟังมันจริงไหมถ้าจริงเออเอาใจเราก็ต้อง จัดการตามนั้นมันต้องเป็นเรื่องของจริงเจตนาดีแต่ว่าเจตนาหลาและแหลมไม่ได้ละ่ะฟังๆดูแล้วมันหล่อแหลมระวังองค์ที่มาร้องเรียนเราจะซัดเลยเราไม่ไว้ใครทั้งหมดเราต้องมองดูไม่ใช่ว่าเราจะหูเบาข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เราต้องฟังฟังเหตุฟังผลทุกอย่างขนาดตัวของเราเราก็ยังมองดูตนเองอยู่ตลอดเวลา เราทำผิดแล้วเราทำถูกเราคิดผิดแล้วเราคิดถูกเราพูดผิดแล้วเราพูดถูกนะ เ, เราก็มองดูตนเองอยู่บางทีเรามองอาจจะไม่เห็นเราก็จังถามคนอื่นดีเอ๊ะ เ, เราทำอย่างนี้มันเป็นยังไงวะที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ไปนะเป็นยังไงมันมีผิดไหมถูกไหมตามหลักเหตุผลนะสู้เจ้าอยู่ผู้ฟังาการกระทำ็ดีมันเป็นยังไง เข้ากับกฎเกณฑ์หลักเหตุผลไหมถูกต้องไหมถูกกระโลกสมมุติไหมถูกกระทำไหมลูกสมมุติไม่ต้องพูดถึงหรอกต้องพูดกับทำหลักทำคือหลักเหตุผลนะถ้าจะให้ถูกใจคนมันไม่ได้ล่ะถูกใจคนมันผิดธรรมได้ยังไงมันต้องให้ถูกทำถูกทำคือหลักเหตุผลทำคือทําความถูกต้องคือหลักเหตุผลนั่หล่กคือทะ เพราะนั้นให้พวกเราศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะต้องเป็นผู้หนักแน่นในหลักเหตุผลในโลกธรรมในนิ่นทาสรรเสริญอย่าไปพอใจแต่สรรเสริญอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้นะเมื่อเขานินทามาเราก็ฟังมีนินทาถูกต้องไหมเขานินทามาถ้ามันถูกต้องเราก็แก้ไขถ้ามันไม่ถูกต้อง เราจะไปฟังทำไมเปากมนุษย์ในครั้งก่อนๆนลงปูส่สิงทองอย่างผู้ไทยฟังนะไอ้ไปหาเสื้ออย่างปากมนุษย์ปะลงปูส่สิงทองว่ะ เ, ส ม, นนเสมัยก่อน 9. เน่ยเนี่ยสมัยของเก่าก้อนน่ะฮะนี่หละจะนินทาให้กันนินฝนตกก็ดา่าแดดออกก็ดา่าตกมากก็ดา่า ตกไปเป็นเมลลัมเวลากดด า, เ, าเพราะในสูตก็เลยผู้แต่งฟ้าแต่งฝนก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันให้ถูกใจทุกคนะเอจะให้ถูกใจทุกคนได้ยังไงผู้หนึ่งกําลังตากข้าวถึงฝนตกก็ด่าพระยาแถนอีกพระยาแถนตายหาตายหงทําไมไม่หาตกให้มันฝนตกอล้ำของข้าวไปเจ้าให้ตกให้ตก รดข้าวของข้าวไปเจ้ากำลังตากอยู่ไอ้คนหนึ่งออข้าวกำลังจะตายอยู่แล้วโอ้ยยินดีขอให้ฝนตกมาเถอะบางทีข้าวกําลังแก่ฝนตกลงมาอีกอคนนั้นก็ดา่าเองฝนที่สุดพญาแถนอยู่บนฟ้าเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงตกตรงหนึ่งมันก็ผิดตรงหนึ่งตกตรงหนึ่งมันก็ผิดตรงหนึ่งฮไอ พญาแถนปวดเสียนเวียนก้าวเลยตอีนี้อ้กูกับมนุษย์เนี่ยมันพูดยากล้วเกินจะให้ถูกใจทุกคนมันได้ยังไงเดี๋ยวกูจะล้างกระดานนะกูจะแต่งฟ้าฝนลงมาพาหัวมนุษย์ให้มันตายมันเกี้ยงหมดซะก่อนเอามนุษย์พันใหม่ขึ้นมาคงจะพูดคงจะพูดง่ายกว่าเนี้นะยญญาแถนคิดขนาดนั้นเลยเออ พยาแขนประกาศเหมือนนนะกูจะล้างพันใหม่ล้างกระดานอมนุษย์นี่ยมันทําไมมันปากเอไม่อยู่เขาล่องก็าลอยจะให้กูทําให้ถูกใจทุกคนมันได้เหรอต่อไปนี้กูจะล้างกระดานใหม่ให้มันเป็นโพดยังไงให้มันเป็นอย่างเดียวกันพยาแผลนวอนะกูจะล้างอะไรทำยังไงนั่นแหละกูจะแต่งฟ้าผ่าหัวมันเลยมฟ้าผ่านนะ เออทางนมีหอยมีหอยพวกสัตว์ทั้งหลายอยู่ข้างๆพญาแฉนออผู้แต่งผละโออยพญาแฉนมันจะไปหาเสื้อทังปากมนุษย์นะนะมันน่ะมันมีอะไรมันบ่นไปเรื่อยของมันนะั่นอะมันหากฎเกณฑ์ไม่ได้หรอกมันพอใจมันกับพระพูดไม่พอใจมันก็พูดอบ่นทั้งบี่บ่นทั้งวันปากมนุษย์เอาก ฎ, เอ า, กฎเอาเกณฑ์มาได้ดอก ขนาดก้นเขาหน่อยมันยังจบเห็นวหมหอยขมว่าพังงนด้เห็นไหมเวลาเราได้หอยจูบหอยขมมานะเรามาแล้วก็มาตัดก้นมันออกซะขวดแหลมแหลมมันเอามาแกงใช่ไหมพอแกงเสร็จแล้วแล้วก็มันสุกขึ้นมาแล้วก็จะกินมันก็จูบก้นมันซะก่อนไหมจูบปดให้มันปิดให้มันปิดลูซะก่อนจำนั้นก็จูบปากมันปดก็ ดันออกมาใช่ไหมมันมันสูญอากาศใช่เขากินหอยได้ใอ่หอยหอยขมมันก็เลยบอกว่าภาษายังปากมนุษย์สันนี้ขนาดก้นขน่อยมันยังจบเพระสันเฮ้ยปาดหนั่นที่หอยเพะสันนี่โอ้ยปานั่นแหละปากมนุษย์หากดหาเกณฑ์ว่าได้รอกพญาแถนเลยาะสันนี่โอ้กันปาดนั่นกูก็สจักสิว่าจังไหนนํามันละมนุษย์เหรอสันเอากันสั่นให้อภัยมันซะสันนี่ เพราะปากเ่ามีกฎมีเกณฑ์นะเนี่ยเออพญาแถนก็เลยไม่แต่งฟ้าผ่าหัวมนุษย์ล้างเป็นมนุษย์พันใหม่เลนี่แหละถ้าไม่มีหอยไปคัดค้านเขาน่าจะแซดมนุษย์ว่างั้นเถอะเออเกิดเป็นมนุษย์พันใหม่มนันรู้จะเป็นหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นไส้เดือนก็ไม่รู้ว่างั้นมนุษย์มนุษย์พันใหม่เออพราะนั้นพวกเราต้องขอบขอบคุณหอยไปนะเออเพราะนั้น มนุษย์มานานหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้สรุปแล้วเยคนโบราณเขาจึงตั้งเป็นนิทานเอะหลังปลาขึ้นมาสอนคนของเรานะการจะพูดอะไรออกไปต้องสํารวมระวังปากเราพูดออกไปนเป็นยังไงกระทบกระเทือนคนอื่นเขาไหมเสียหายไหมถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมไม่ใช่ว่าเขาล้องเรียนอะไรก็จะไปเชื่อเขาทั้งหมดโง่อีกเหมือนกันนะเออ เขาพูดอะไรขึ้นมาก็ไปเชื่อเขาเนะี่ยแปลว่าหูเบาเกินไปถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็แปลว่าใช้ไม่ได้เลยละ่ะถ้าเป็นหลวงพ่ออินหลวงพ่อก็หลวงพ่อตำแหน่หลวงพ่ออินเอกใช้ไม่ได้หลวงพ่ออินหูเบาฮะหูเบาเกินไปถ้าหูหนั ก, กไม่ฟังคาใครเลยก็ไม่ได้หูหนักเกินไปคนหูหนักก็ไม่ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะลูกหลานนะพูดอะไรให้ฟังก็ช้อยสื่อบื้ออยู่อย่างงั้นนะ หูหนัก่างเงินไม่รู้จักแก้ไขหูหนักเกินไปก็ไม่ได้หูเบาพอได้ยินหน่อยหนึ่งจาก ห, หมูบ้านกลุ่มนั้นกลุ่มใต้กลุ่มเหนือมาได้ยินมากระโดดไปตามจังหวะที่เขานินทามาที่เขาว่าร้ายมาอันนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งหูบังทั้งหูหนักทั้งหูเบานะมันไม่ดีทั้งนั้นแหละสรุปแล้วก็คือให จะหูเบาหูหนักก็อยู่ในหลักเหตุผลต้องฟังต้องใช้ปัญญาพิจารณากันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลทุกสิงทุกอย่างมันมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นหมดถ้าเราไม่มั่นใจลงไปเสิร์ฟดูก็ได้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ลงไปสืบ์ว่ามันเป็นจริงไหมนินทายอย่างนี้สรรเสรยยิญนั้นมันจริงไหมถ้าไม่จริงเราจะไปฟังทําไมเสียหมูเสียเพื่อนเสียพักเสียพวกเสี ย, สยครูบาอาจารย์ เออเสียประเทศชาติบ้านเมืองเสียไปหมดคนไปไปฟังคนอื่นเขาพูด เ, ออเพราะนั้นเราต้องฟังเหตุฟังผลมันจึงจะทูกหลวงพ่อว่านะอันนี้แนวความคิดหลวงพ่ออินนะั่นลูกหลานนะให้หลวงให้พวกลูกหลานฟังเอาไว้นะออฟังเอาไว้นี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อให้เหตุผลสําหรับพวกลูกหลานให้หนักแน่นสรุปแล้วถูกชิดหลวงพ่ออินทั้งหลายให้หนักแน่นออให อย่าไปหูเบาแต่อ ย, อย่าไปหูหนักอาราพอนนี่สนะี้เนาะ